ให้คอยสังเกต ด, ดูในการปฏิบัติเราเอาใจของเราไว้กับลมคือตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเราจะเห็นจิตของเราไม่คิดไปเรื่องอื่นเลยมันอยู่กับลมหายใจตลอดเวลา ถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าทาถูกแล้วคือถ้าทาอยู่ที่บ้านก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเห็นลมเข้าลมออกอยู่เรื่อยก็แสดงว่าเราเข้าสมาธิอยู่เรื่อยแล้วเราจะเห็นว่า บางครั้งบางคราวนี่เรากำหนดรู้ลมปั๊บจิตเราสงบเย็นลงไปเลยอระทบอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจจิตเราก็ไม่ส่ายออกไปรับอารมณ์นั้นไม่ส่งไปตามอารมณ์นั้น เรื่องที่พอใจก็เหมือนกันกินเราก็ไม่ฟุ้งซ่านไปตามหรือไห ล, หลไปตามอารมณ์เหล่านั้นมันจะนิ่งสงบเป็นหนึ่งอยู่ตลอดอันนี้ให้เราสังเกตดูถ้าเราทำอย่างนั้นได้คืออย่างที่ว่ากระทบอารมณ์แล้วทั้งดีและไม่ดี เราก็ไม่หวั่นไหวกินเราไม่หวั่นไหวเลยเป็นหนึ่งแนวกู่ตลอดเวลาสบายขึ้นมาในใจเลยไม่ได้สนใจคำพูดของคนอื่นเลยนั่นอันนี้เรียกว่าถามเป็นเราจะเห็นความคิดของเรา เราคิดดีก็ตามคิดไม่ดีก็ตามเราก็จะเห็นเห็นความคิดนั่นคิดดีเราก็ไม่ส่งใจตามคิดไม่ดีเราก็ไม่ส่งใจตามใจเราจะเป็นหนึ่งอตลอดเวลาสงบนิ่งอยู่ตลอด แม้เราพูดเราคุยอยู่เรายังเห็นใจของเราสงบอยู่อันนี้เรียกว่าทำเป็นแล้วพึ่งตัวเองได้แล้วเราจะนั่งวันละเท่าไหร่ก็ได้ไปยี่สิบนาทีสามสิบนาทีกินเราก็นิ่งเป็นหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าทำถูก ถ้าเราทำอย่างนี้ไม่ได้เราจะต้องมานึกบริกรรมลมหายใจเข้าออกอยู่คอยดูลมหายใจเข้าออกอยู่เราถึงจะทํากระทบอารมณ์แล้วถึงจะไม่หวั่นไหวมันไม่ใช่อย่างนั้นกระทบอารมณ์ปับ๊บมันวางวับทันทีเลย กิจเราไม่ไปยืดออกไม่ไปยืดออาอารมณ์เรื่ อ, ง, อ ง, ตงต่างๆที่เรากระทบกระทั่งมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแม้ทางใจเองก็ตามมันวางหมดวางความยึดความถือหมดมันสบายใครจะว่าเราดีหรือไม่ดีเราก็สบาย ใจเราก็สบายอยู่เหมือนเดิมไม่คิดนึกฟุง้งซ่านไปตามเรื่องต่างๆใจเราจะเป็นหนึ่งแนวอยู่ตลอดนี่แหละทางที่ถูกไม่ใช่ว่ากระทบอารมณ์แล้วลึกึ้งทึ้งจะมาเข้าสมาธิขับออกไปอย่างนั้นไม่ใช่มันเป็นอยู่ตลอดเวลามันเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราทํางานอยู่เราหยุดเราหยุดจากการทํางานหรือว่าเราทํางานอยู่แล้วลองกําหนดดูก็จะเห็นลมหายใจเข้าออกตลอดอันนี้เรียกว่าทําเป็นช่วงว่างเรากําหนดดูปั๊บก็เห็นลมกับสติอยู่ด้วยกันเห็นสติกับใจกับลมเนี่ยมันอยู่ด้วยกัน อันนี้เรียกว่าทำถูกทําเป็นถ้าทําถูกทําเป็นใจมันก็สบายมันเป็นสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันใจเป็นสุขเพราะใจได้รับกระแสธรรมตลอดเวลาได้รับธรรมะตลอดเวลาพูดง่ายๆ ไ, ได้กินอาหารตลอดคนเรากินอาหารวันหนึ่งสามมือ้อ บางทีอาจจะมากกว่านั้นอีกก็ได้แต่ว่าใจเรานี่ถ้าเราได้เข้าสมาธินี่ถ้าเราได้เข้าสมาธินั่ น, น, นแหละเราให้อาหารใจแก่ใจของเราใจเราจะเะบิกบานแจ่มใสจะมีความสุขความสงบจะมีความเย็นใจตลอดนี่แหละ จุดหมายที่เราต้องการกคือว่าเวลากระทบอารมณ์แล้วเราไม่วิ่งไปเกิดราคะโทสะโมหะเนี่ยไม่เกิดโลภเกิดหลงไม่เกิดยินดีพอใจหรือไม่ยินดีหรือไม่พอใจอใจเราอยู่ได้ตั้งเที่ยงตั้งมั่นอยู่ได้สงบอยู่ได้ไม่หวั่นไหวกับอารมณ์เหล่านั้นหรือเรื่องเหล่านั้น อย่างนี้แล้ว่าเราทําเป็นถ้าทําไม่เป็นมันไม่เป็นังน่ะพอกระทบอารมณ์ลงก็ไหลไปตามไปตามเรื่องตามอารมณ์เหล่านั้นซะก่อนกว่าจะนึกขึ้นได้โอ้ยมันเกิดเรื่องแล้วถึงขึ้นได้บาทีมันได้ด่าเข้าไปแล้วได้ว่าเขาไปแล้วโต้อตอบไปแล้ว เราจึงมาสํานึกได้โอ้มันไม่ถูกเนาะเนี่ยเนี่ยว่าเราทํายังไม่เป็นเท่าไหร่ต้องให้มันไวกว่านั้นอีกอารมณ์ที่มากระทบใจไม่ใช่ว่าเขาจะเตรียมพร้อมไว้เราจะเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาเวลาเรากระทบอารมณ์เราจะเตรียมพร้อมไว้ เีราคอยมาคิดมานึกอีกที่หนึ่งอะไรงี้ไม่ได้เราเตรียมอยู่ตลอดเวลาเตรียมพร้อมลบอยู่ตลอดเวลาลบกับราคาโทสะโมหานอยู่ตลอดจะโทษปุบแก้ไขพับทันทีเลยวางได้เลยย่เย็นสวาย ไม่เกิดกิเลสว่าเธอกิเลสราคาโทษาโมหานี่ไม่มีในใจมันเข้าไปไม่ได้มันเข้าไม่ถึงเหมือนมีกรแพงเกดชั้นน่ะพจะมันเข้ามาถึงเนี่ยมันยากมันเข้ามาไม่ได้ โดยเห็นยังมีความจําเป็นที่เราต้องผอกขัดให้ ช, นชนานิชานาญให้ชำนิชนานาญในสมาธิในปัญญาเรานี่แหละมันมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาถ้ามันมีสมาธิเราปัญญายานมันก็เกิดขึ้นหรือปัญญาวิปัสสนานก็เกิดขึ้น ถ้ามันไม่มีไม่มีปัญญาให้ปรชนาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่เห็นแก่งตามความเป็นจริงมันก็เมื่อหมัวอยู่ที่เห็นแก่งตามความจริงนี่คือเห็นความเป็นไปต่างๆเห็นความเกิดความแก่ความเกี่ยวความตาย เป็นทุกข์มันเห็นชัดเหมือนคนที่ล่วงมือเข้าไปในโพกไม้เห็นสัตว์สนิดหนึ่งอยู่ในนั้นไม่รู้ว่าเป็นอะไระก็กมเลยกมำขึ้นมาเลยพอเอาพนออกมาเห็นเป็นงูวางปั๊บทันทีเลย จิตเราไม่ไปยืดถือก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่เข้าไปยืดไปถือเอาความโลภ ก, ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีที่เกิดขึ้นแก่เราหรือสิ่งที่ให้เกิดขึ้นสิ่งที่ทําให้ความโลภเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้นราคะตัณหาเกิดขึ้นมันมีอยู่ แต่ใจเรามันวางมันไม่เข้าไปยึดถือเอาอารมณ์เหล่าลนั้นมาใส่ใจเลยมันนิ่งอยู่ได้สงบอยู่ได้วางอยู่ได้เกิดปัญญารู้ทันอยู่ได้ว่านี่นี่เป็นโทษนี่เป็นทุกข์มันรู้ชัดเห็นชัดเขาเลยกว่ามีปัญญาเกิดขึ้นมีปัญญายานอย่างรู้เกิดขึ้น นี่แหละเราปฏิบัติไปทำไปเรื่อยเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อให้จิตของเราพ้นจากกองทุกขอะไรกองทุกเหกิเลสนั่นแหละกิเลสแหละทำให้ทุก ใ ห, ให้ตกอยู่แต่อำนาจของความทุกข์ถ้าไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีทุกข์กลางคืนมันก็ไม่ทุกข์กลางวันมันก็ไม่ทุกข์ตอนเช้าตอนเย็นมันไม่ทุกข์เลยเพราะกิเลสในใจไม่มีคนที่จมาทําให้ราคาฟุ้งขึ้น ม, ม, ม, มันก็ไม่เกิดทำโทรสายฟุง้งขึ้นมันก็ไม่เกิดทำโม่หายฟุ้งขึ้นมันก็ไม่เกิดใจเรามันตั้งเที่ยงตั้งมั่นอยู่ได้ตั้งเที่ยงตั้งมั่นอยู่ในใจตลอดเวลาจะเห็นใจของเจ้าของอยู่ตลอดเวลาของตัวเองอยู่ตลอดเวลา ใจมีราคะใจมีโทสะใจมีโมหะมันเห็นหมดใจไม่มีมันก็เห็นเราปฏิบัติเราต้องการขับพวกนี้ออกจากใจวิธีฝึกก็คือหัดสมาธิก่อนให้กิตมีกำลังก่อนพอกิตมีกำลังแล้วก็ทำาิิพัสนา คือพิจารณาใครควรแต่ตองแยกแยกออกไปจากกันใจเราจะสงบลมเย็นเป็นสุขถ้าเราทำได้ถ้าเราทำไม่ได้ก็เวียนว่ายตายเกิดในวะตาอันนี้นานแสนนานไม่รู้จักจบจากสิน้นถ้าเราได้สวราบัน สีห้าเราก็สมบูรณ์มันสมบูรณ์ขึ้นมาในใจให้สังเกตดูให้ดีเราจะไม่อยากทำเลยสิ่งที่ชดช้าเร็วสามไม่อยากทำเลยสีน้ำเป็นกอผิดมันไม่ทำหรอก ใจเราไม่ทำกายมันจะทำได้ไหมไม่ทำวาจาจะพูดได้ไหมมันไม่พูดมันนิ่งไปเลยมันวางมันวางจากความยึดความถือเหล่านั้นวางจากความเป็นกิงเหล่านั้นไม่เอาว่าเป็นอารมณ์ในใจนี่แหละ หัดไปแต่ละวันกิเลสมันก็ร่วงออกไปออกไปใจเราก็ใสขึ้นใสขึ้นพองใสขึ้นตามลำดับไม่ติดอยู่ไม่ข้องอยู่ไม่สำคัญมั่นหมายอยู่ในเรื่องต่างๆ เห็นชัดตามความเป็นจริงเห็นชัดตามความเป็นจริงคนที่ทุกข์อยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องอื่นนะคนที่ทุกข์อยู่ในโลกนี้มันเรื่องของราคะเรื่องของโทสะเรื่องของโมหะ นี่กิเลสพวกนี้แหละราคาก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์โทสะก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์โมหะก็เป็นเรื่องให้เกิดทุกข์ถ้าเราทาเป็นเราพาวนาเป็นแล้วราคาโทสะโมหะมันก็เบาบางจากใจเรา ถ้าเราโสดาบันนี่เราเราเป็นพระโสราบันนี่ลราก็ยังอยู่ครองคาวาสได้แต่มันก็รู้ทันจะไม่กล้าทำบาปเลยให้ทำบาปฆ่าสัตว์ัดชีวิตให้ไปยิงคนฆ่าคนหรือไปผีลูกหินเนียคนมันนั้นมันไม่ไปมันไม่ไปงั้น เราจะโกหกหลอกลวงหรือว่าดื่มสุราไม่ไรมันก็ไม่อยากกินไม่อยากหลอกลวงไม่อยากพูดในสิ่งที่ไม่ถูกตามความเป็นจริงนี่แหละเราจะเห็นใจเราต่อเวลาวันเหลานี้ทิ้งได้ละได้ถอนได้จากอารมณ์เหล่านั้น มายึเรามาเป็นทุกข์เลยจิตเรามันพร้อบต่อเวลาเพราะฉะนั้นการหัดสมาธิก็ดีหัดพิจารณาก็ดีมันเป็นการสร้างพลังให้เราให้เรามีกําลังขึ้นคนถ้ามีกําลังก็ทํางานได้ทําอะไรได้ต่อสู้อดทนได้แต่ถ้าคนไม้มีกําลัง นิ้วหยอยเล่นเหนเหนื่อยเมื่อยล้ามันก็สู้กับว่าสู้กับอะไรไม่ได้เพราะันการหัดจึงเป็นการหัดให้มีพลังที่เรียกว่าพลังกิจานุภาพคือพลังกิจหัดให้เกิดพลังกิจหัดไป เดินโยกบอลละเล็เกละน้อยมันก็มันน้อยไปหน่อยต้องเอาให้มากเอาให้มันพอสมควรอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงขึ้นไปวันหนึ่งเราหาเวลาให้กับตัวเราได้อยู่เรานั่งนิ่ง กำหนดรมหายใจเข้าออกอยู่นั่นหละเป็นการสร้างพลังกิจให้พลังกิจของเราเนี่เข้มแข็งให้พลังกิจของเรานี่มีอำนาจเราหัดทุกวันหัดทุกเวลาหัดทุกโอกาสได้ยิ่งดีก็อย่างที่ว่ามาแล้ว คือหัดทุกโอกาสหมาก็ผู้ภาวนาเป็นแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละมัน ร, รู้อยู่ตลอดเวลากำหนดปั๊บมันก็รู้ปั๊บทันทีเลยใจเป็นหนึ่งทันทีเลยอันนี้เรียกว่าทำชานาญพอหัดให้มันสงบปับ๊บมันสงบได้ทันทีเลยอย่างเราเดินไปอยู่นี่ ลองดูลมปั๊บก็จะเห็นลมทันทีเลยความคิดความนึกที่ฟุ้งซ่านคิดนั่นคิดนี่มันก็รวมตัวปั๊บทันทีอย่างนี้มันถึงจะถัดถึงจะสามารถต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงได้นี่แหละ ไปทำไปได้แล้วไม่ทิ้งถ้าทิ้งมันก็ยังเดืออยู่แต่มันโคที่ผมผอมเนะ่ยไม่ได้กินหญ้าไม่ได้กินน้ำพร้อมเอาไปขายที่นี่าก็ไม่ซื้อ พรามันผอมมันไม่มีเนื้อมีหนังจิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราหัดภาวนาอยู่เรื่อยๆสังเกตใจเราอยู่เรื่อยอันนี้สำหรับคนเก่านะสังเกตอยู่เรื่อยๆ ดูอยู่เรื่อยๆรู้อยู่เรื่อยๆอันนี้ก็คือว่าได้อาหารต่อเวลา อ, อยู่ที่ไหนมันก็ไม่หวั่นไหวมีสถานการณ่อะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่หวั่นไหวเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีกําลังกําลังจากการฝึกหัดของเราเนี่ยต้องทำไปบ่อยเนี่ย คนมาปฏิบัติเนี่ยมันก็รู้ก็เห็นก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แล้วให้คอยสังเกตดูอยู่เรื่อยๆพลังจิตของเราจะเพิ่มขึ้นปัญญาญาญอย่างรู้อริยสัจสี่ก็จะเกิดขึ้นเห็นความทุกข์ชัดเจนขึ้นเห็นความทุกข์เพราะเกิดชัดเจนขึ้น เห็นความทุกข์เพราะแก่ชัดเจนขึ้นเห็นความทุกข์เพราะความตายชัดเจนขึ้นเห็นชัดเจนในใจความเกิดความแก่ความเก็บความตายเราเห็นชัดนี่เป็นทุกข์ที่เราต้องละเราต้องรู้มันมีทุกข์อันนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อย เราต้องละละอะไรละเหตุเกิดทุกทุกนี่ละไม่ได้ทุกนี่กําหนดรู้ทันเองโอ้ความเกิดคือความเกิดความแก่ความเก็บความตายนี่เกิดขึ้นแก่เราแล้วเราต้องคอยรู้ตลอดให้พี่นาอยู่ตลอด ใจเราจะเย็นสบายจะมีความสุขนั่งไม่นั่งมันก็มีสมาธิอยู่ตลอดเมื่อมีสมาธิปัญญามันก็อยู่ด้วยกันนั่นเนี่มันเกิดเกิดขึ้นมันมีสติมีสมาธิมีปัญญามันเกิดขึ้นเราเห็นเรารู้ชัด สามารถวางได้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแหล่เราสามารถวางได้หมดละได้หมดเพิกถอนออกจากใจเราได้หมดถอนจากความยึดมัน่นถือมั่นได้หมดเราไม่ถือเราไม่ยึด เราไม่สำคัญมั่นหมายกับอารมณ์ต่างๆเนี่ยเรารู้ชัดแล้วพูดง่ายว่าเราพ้นทุกข์แล้วเราเป็นผ้าลหาันแล้วเราไม่มีความยึดความถือแล้วเห็นกายสกปรกเป็นธาตุทั้งสี่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปเราเห็นชัดในใจของเรา ความโลภจะเกิดขึ้นยังไงราคาตัณหาจะเกิดขึ้นได้ยังไงความโกรธความเกลียดความจริงความชั่งอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงปฏิฆาขัดเครืองมันก็ไม่มีความหลงมันก็ไม่เกิดขึ้นพอรู้ชัดรู้ชัดดูจริง ไม่ใชรู้ตามที่เราอ่านในตำรานะมันรู้จากใจเรานี่เองใจเรานี่แหละมันรู้ที่ใจเรานี่แหละทุกที่เกิดขึ้นแต่ละทีแต่ละครั้งแต่ละหลนนี่ถ้าเราไม่มีเกิดนี่เราไม่ต้องมีแก่มีเก็บมีตายเลย เราไม่ต้องมีถึงมันมีอยู่ในโลกก็จริงแต่ว่าใจเราไม่มีไม่มีราคะความกุนัดยินดีไม่มีโทสะความคิดประทุศสลายไม่มีโมหะความหลงนี่มันไม่มี ถ้าเราถึงที่สุดของการปฏิวัติแล้วมันไม่มีท่านนึงว่าชาติสิ้นแล้วผมมาจันทร์อยู่จบแล้วการที่จะกลับมาเพื่อละกิเลสตัณหาอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วมันหมดจากใจเราเลยมันไม่มีในใจเราความรักมันก็มีความชังมันก็มีความโลภความหลงอะไรต่างๆกิเลสตัณหาพัน อิเรพันห้าตันหาร้อยแปดอะไรต่างๆมันไม่มีอยู่ในใจเรามันไม่มีมันดับไปหมดล่ะตั้งแต่วันที่เราได้รบรรลุธรรมมันละได้หมดลาแล้วมันก็ไปกลับเกิดอีกกุปปาธัมโม กำเหลือได้อยู่นี่สำหรับปุถุชนอกุปธรรมโมนี่สำหรับพระเรียเจ้าสำหรับพระอรหันต์แล้วอกุปธรรมโมไม่ไม่ฟุ้งขึ้นไม่มีอสะวะหมดไปแล้วกามาสะวะก็หมดไปเรื่องของกามในใจไม่มี ภา ว, าาวะเรื่องการที่อยู่พบนั้นพบนี้มันก็ไม่มีไม่คล้องไม่ติดอวิชชาสาวะอวิชชามันก็มมีทิฏฐิภาวะความเห็นที่จะเป็นไปต่างๆที่คือเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิมันไม่มีมันเป็นสัมมาทิฏฐิหมด อวิชชาชะวะกขมอนกันอวิชชาคือความไม่รู้ในอริยสัจว์สี่มันหมดไปเลยหมดตั้งแต่เราวรนลุเป็นพระอรหันต์นั่นเหมือนคนแบกภาระต่างๆเต็มบ่าไม่ว่าถุงอะไรตัวถุงอะไรเต็มไปหมดแบกหามแบกมา สบายมาพอเราโปงพาละอันนั้นลงออกจากตัวเรามันก็เบาสบายเลยวะนี้จิตมันไม่ยึดไม่ถือแล้วไม่สำคัญมั่นหมายแล้วมันวางหมดมันละหมดมันทิ้งมันถอนได้หมดเนี่ยมันเป็นงี้ไม่เข้าไปลงอีก ไม่เข้าไปเกิดอีกไม่เข้าไปแก่อีกไม่เข้าไปเก็บอีกไม่เข้าไปตายอีกท่านจึกว่าชาติสุดท้ายของผู้ปฏิบัติเราจะรอให้พระพุทธเจ้าองหน้ามาตัดก่อนเราถึงจะบรรลุมากคนโอ้มันเสียเวลามากไม่รู้ว่าเราจะทันหรือเปล่าเราจะรอให้พระพุทธเจ้าเสียเลือยมีดไตมาตัดสรุปเราถึงจะบรรลุในศาสนาของพระองค์ ไม่แน่เลยถ้าไปตกอวิชีมหานโรกอยู่เราเกิดมากว่าจะพ้นจากนรกมานานแสนนานหนึ่งอันตกรกับมันไม่ใช่ธรรมดาอาวิชีมหา น, นโรคหนึ่งอันตกรกับกว่าเราจะพ้นจากนรกกว่าเราจะมาได้มาฟังธรรม ไม่รู้ว่ากิดของเราจะเกิดสมาทิฏีิหรือเปล่านี่แหละรอไม่ได้จะรออยู่อย่างนั้นไม่ได้เราต้องเอาในปัจจุบันชาตินี้แหละที่เราเห็นตากันอยู่นี่ต้องเอาในตอนนี้เลย อาในตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็มีอยู่ตำหนักปรลาคำภีคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่เราสามารถปฏิบัติได้ครูบาอาจารย์ก็มีอยู่ผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายก็ยังมีอยู่ คนปฏิบัติตามมรรคแปดมันยังมีอยู่โลกนี้ไม่ว่างจากพระลาหัน์ถ้าปฏิบัติตามมรรคแปดอยู่ฝึกตนตามมรรคแปดอยู่โลกนี้ไม่ว่างจากพระลาหน์เลยครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านได้เป็นพระลาหน์ท่านสามารถสอนให้เราเข้าใจได้สามารถสอนให้เราปฏิบัติตามได้เราเอาในปัจจุบันชาตินี้แหละ จะไปรอชาติหน้าพบหน้าเลยชาติหน้าพบหน้านี่ไม่รู้ว่าเราจะได้พบพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเกิดมาพบอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเราจะมีศรัทธาหรือเปล่ามีศรัทธาแล้วเราจะมีโอกาสได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเรื่องยากอ น, นาคตกาหนดไปได้ไม่ได้เลยไม่แน่นอน กำหนดว่าอนาคตข้างหน้าตกเป็นอย่างนี้แหละเราจะทําอย่างนี้ให้ได้อย่างนี้มันไม่ใช่มันเปลี่ยนไปยากเราต้องเอาปัจจุบันปัจจุบันเรารู้อยู่เห็นอยู่ร่างกายเราก็มีจิตใจเราก็มีสามารถกําหนดได้ธรรมะเราก็มีสามารถกําหนดรู้ได้ ครูบาอาจารย์บอกสอนก็มีอยู่เราสามารถทำได้ตอนนี้มันยังไม่ถึงมากถึงผลท่านสูงก็ทำไปมันก็ละเอียดไปเล้ททำไปมันเราเขารับมีดรับดาบรับขวัญ น, นี่หนมะืมันเรารับดาบดาบหมายถึงปัญญาของเราเนะี่ย เราลับไปลับไปลไปครั้งแรกมันก็ไม่คมนานๆานเข้ามันสามารถฟันต้นไม้ขาดท่อนได้เลยดูตัวอย่างฟันต้นกล้วยอย่างนี้ขาดชัดทันทีเลยแต่ถ้าไม่คมนะฟันไม่เข้านี่ เราทำไปทำไปนี่มันเกิดตลอดแหละเกิดความเข้าใจทัดเกียนขึ้นมันก็วางได้เมื่อแก่เท่ามาเราก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าเรายังไม่ได้บรรลุตอนนี้เราทำไปทำไปตลอดนี่ เราได้แล้วเนี่ยพื้นฐานเรามีอยู่ก็ไปเรื่อยมันก็สูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยในที่สุดมันก็ชำระออกเลยหมดใจเราก็บริสุทธิ์เย็นสบายอยู่ภายในใ น, นั่นแหละไม่มีทางอื่นหรอกที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นเนี่ย มีมากแปดนี่แหละทำตามมากแปดเนี่ยทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือมากแปดนี่มากแปดสรุปรวมแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือตามที่ท่านพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ปัญญาศีลสมาธิ มีปัญญาเรารักษาศีลได้มีปัญญาทําสมาธิได้ถ้าไม่มีปัญญารักษาศีลก็ไม่ได้ทําสมาธิก็ไม่ได้เราต้องหัดฝึกหัดให้มันชนํชนานิชานาญให้มันคล่องตัวอยู่ต่อเวลาสามารถสงบอารมณ์ได้ในทุกๆเรื่อง นี่แหละทางพน้นทุกมีอยู่ตัวเราก็มีกำลังแข็งแรงอยู่ใจเราก็มีอยู่ใจเราก็เป็นสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบอยู่ทำไมมันจะไม่ได้ทำไมมันจะไม่ถึง มันต้องได้ต้องถึงสี่ถ้ายากพระพุทธเจ้าไม่ตัดไว้หรอกถ้ายากคนทำตามไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนไว้ที่พระองค์สอนไว้คนทำตามได้ทั้งนั้นคนปฏิบัติตามได้ทั้งนั้นสีทธิมันก็อยู่ที่ตัวเรา เรางดเว้นได้จากบาปอกุศลห้าทางแปดทางสิบทางสองร้อยี่สทางเราสามารถละได้เราสามารถทำให้เกิดให้มีขึ้นได้ละออกไปจากสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ได้ห้าทางแปดทาง สิทางสอง้อยยี่สิบเจ็ดทางเราสามารถละได้พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ดีเราก็เห็นว่ามันไม่ดีอย่างการฆ่าสัตว์พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ดีเป็นเหตุให้ไปสู่นรก เราทำเข้าพับมันก็ได้ไปสู่นระกกิตใจของเราก็ร้อนหลุนถ้าเรารักษาได้ทำได้มันก็เป็นความดีของเราเรางดดเว้นได้เราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พฤติมิจฉาจารย์ไม่โกหกหลลว ง, ลวงไม่ดื่มสุรามรเมลัยแล้วทำได้ น, นักายก็เป็นศีลวาจาก็เป็นศีลใจเราก็เป็นศีลเป็นพระสวัสดิ์ันศีลเข้าถึงใจล่ะมันละได้ในความชั่วความผีต่างๆมันไม่เอารู้บาบุญคุณโทษรู้จักคิดถูกชั่วดีนะ่น ปฏิบัติไปสมาธิแล้วก็ฝึกหัดอยู่อย่างเราทำอยู่เดี๋ยวนี้แหละพระพุทธเจ้าก็วางแนวการฝึกหัดไว้มากมายถึงสี่สิบวิธีการนั่นแหะใครจะเอาไหนมาปฏิบัติก็เอาได้สำหรับฝึกจิตให้สงบถ้าจิตไม่สงบใจให้มันเกิดปัญญาลู้เห็นมันไม่เกิดขึ้นไม่ได้หรอก ถ้าจิตสงบแล้วมันก็เกิดปัญญารู้เห็นขึ้นมาได้เอาพิจารณาอะไรก็เห็นชาติเห็นจริงนั่นสิทธสมาธิปัญญามันมีอยู่แล้วนี่เราปฏิบัติตามได้เราสามารถชำระกกจิตให้บริสุทธิ์ตามได้มักผลมันจะหนีไปไหนมันก็ต้องมีขึ้นมาได้เหมือนกัน ราคาโทสะโมหะมันก็หนีไปจากใจเราท่านจึงเรียกว่าพระละหันพาละหันแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสหรือผู้ห่างไกลจากกิเลสกิเลสเหล่านั้นไม่สามารถทำลายจิตใจของพระละหันได้เลยที่ว่าละหันละหันไม่ใช่ห่อเหินเดินอากาศได้นะ หมายก็ว่าใจของเราเนี่ห่างจากกิเลสหรือกิเลสห่างจากใจเรารี่กาอรหันทุกคนสามารถปฏิบัติถึงเป็นพระอรหันต์ได้หมดแต่ว่าชาตเรียวต่างกันทานทบางทีชาตินี้เราได้เป็นโสราบันก็อยู่เป็นมีความสุขในครอบครัวบ้านเดือนของเราเราก็เข้าสมาธิบ้างทำอะไรบ้าง ตามความเป็นอยู่ของโลกศินเราก็บริสุทธิ์จิตใจของเราก็เบาสบายมีกระทบอารมณ์น้อยใหญ่ก็ละได้ม่อฟุ้งซ่านไม่เกิดราคโทสะโมหะขึ้นมาใจเราสบายดีแต่มันยังไม่หมดเราก็ทำไป ตายจากมนุษย์เป็นเทวดาก็ทำมีคทำในความเป็นเทวดานั่นนี่ยทำปฏิบัติก็ได้สำเร็จได้เหมือนกันถ้าจึงว่าไม่เกินเกียรติชาติเราต้องได้เป็นพระอรหรันต์ สตตะขะตุประมะอย่างชาติสุดเกียชาติถ้าไร้เป็นสวัสดบันแล้วนี่อย่างชาติที่สุดไม่เกินเกียชาติเราต้องได้เป็นพระอารหันต์โกลังโกละสองสามตระกูล สองสามชาติเรามาเกิดในมนุษย์ดิสองสามชาติเคยเป็นผัวเป็นเมียกันทำความดีร่วมกั น, ม, ม, กนมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีบริจาคเสมอกันมีปัญญาเสมอกันเกิดมาก็พบกันอีก พากรปฏิบัติธรรมอีกมันก็หลุดไปหลุดไปเพราะฉะนั้สองสามชาติก็ได้เป็นพระอรหันต์เอกกับพิชีชาติเดียวเนี่ยอุตสาบทของพระสุรวันเมื่อได้แล้วเอกกับพิชีกือดอีกชาติเดียวก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ เราทำถูกต้องมันต้องได้ทำถูกแล้วได้ทันทีทำไม่ถูกจึงไม่ได้เดี๋ยวนี้เราทำถูกไหมเราทำถูกเราทำเป็นไหมทำเป็นเรารู้แจ้งไหมเข้าใจดีนัก็สามารถชำระจิตของเราให้บริสุทธิ์ไปเรื่อย อยู่ที่ไหนเราก็เข้าทำสมาธิได้ไม่ใช่ว่าตอนกลางคืนเราค่อยทำสมาธิหรือตอนเช้าเราค่อยทำสมาธิอันนั้นเรียกํากหนดไว้เพื่อความที่เราไม่ว่างจากวาร ก, กิจต่างๆแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วนี่เราสามารถทำได้ตลอดเวลาคือคอยกาหนดรู้ได้ตลอด คอยกำหนดรู้ได้ตลอดอย่างเราขายของอยู่ไม่มีคนมาซื้อของเรายืนอยู่หรือเรานั่งอยู่เราก็สามารถดูลมของเราได้พอเห็นรูปั๊บพลังกิตก็เกิดขึ้นแล้วคอยบริสุทธ์ไปบริสุทธ์ไป ดีไปเรื่อยๆนี่แหละถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วมันได้ประโยชน์จริงๆสาหรับชีวิตของเราเนี่ยมันมีคุณค่าสูงไม่ต้องรอพุทธเจ้าองค์ต่อไปรอก เอาองนี้แหละปัจจุบันนี้แหละเอาให้มันได้ทำถูกมันก็ได้ทำไม่ถูกมันก็ไม่ได้ทำเป็นมันก็ได้ทำไม่เป็นมันก็ไม่ได้ทำยังไงเราถึงจะทำถูกทำเป็นเพราะครูบาอาจารย์สั่งสอนอบรมยังไงเราก็ทำตามนั้นเราก็สามารถทำได้ทำเป็นทำถูก มันก็สามารถบรรลุได้มันละความยึดความถือได้ละความสำคัญมั่นหมายได้นี่แหละให้ตั้งใจปฏิบัติตลอดเวลาเจ็ดวันนี้เป็นเวลาของเรายิงจริงเราทิ้งหมดทุกอย่างในโลกเมื่อเราตายไปแล้ว ไปอยู่อีกโลกหนึ่งต่างหากเราไม่มีความกังวลอะไรในสำหรับในทรัพย์สินสมบัติเงินทองลูกเต้าล้านเหลนแม้แต่กิจจะติดต่อก็ไม่มีทางที่จะทำได้เขาอยู่บ้านแล้วก็โทรไปไม่ได้เพราะเราไม่มีโทรศัพท์แล้วเราทิ้งหมดทุกอย่างเราตั้งใจปฏิบัติเนี่ มันจะได้ไหมได้นี่แหละมันท้าีปถูกอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ห่วงหน้าเพราะโงหลังเรามีความมั่นใจในตัวเองมั่นใจสูงคนผู้ปฏิบัติธรรมนี่มีความมั่นใจสูงมั่นใจว่าศาสตร์นี้พบนี้ต้องเอาให้ได้ โสดาสกิทาคาอนาคาอรหันชั้นใดชั้นหนึ่งเราต้องได้เพราะเราทำถูกอยู่พพุทธเจ้าก็ตัดด้วยสมบูรณ์แล้เราแค่เอากำหนดลมหายใจเข้าออกนี่คอยดูลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองก็สามารถถึงความเป็นพระอรหันต์มา สามารถนวางความยึดก่อนถือได้หมดเลยนี่แหละให้ทำไปอย่าถอยอย่าท้ออย่าหมดกำลังใจสู้สู้กับความเหนื่อยยากลำบากเจ็ดวัน ดีกว่าปล่อยให้เราต้องไปไหมในอบายภูมิหรือไปเสียเวลาท่องเที่ยววิตรายตายเกิดในวะตะัตาสงสารอันนี้เราสู้เลยบางคนเคยตื่นใช้สายพอมาก็ตื่นตั้งแต่ที่สามที่สี่ที่สี่ที่ 5. ห้าร่างกายก็เด่นเหนื่อยเมื่อยล้า หลับนอนไม่พอเราก็ต้องสู้เวลาเราได้แล้วนี่เราสู้สู้ให้ได้เราอยู่ในโลกนี้ไม่พอพันปีหรอกร้อยปีก็ทั้งยากอยู่แล้ว หกสิบเจ็ดสิบนี่ก็้อนนีนคนแข็งละขณะนี้เรามีกาลังแข็งแรงอยู่พอสู้ได้อยู่สู้สู้ให้เกิดให้มีขึ้นในใจของเราให้ได้ศีลก็มีอยู่ในใจของเรา สมาธิก็มีอยู่ในใจของเราปัญญาสัมมาทิฐิก็มีอยู่ในใจของเรานี่พระพุทธเจ้าสอนคนเนี่ยสอนให้ปฏิบัติตามนี้ถ้าปฏิบัติตามมักวิโยอแปดียังไงยังไงเราก็ต้องได้ดี โลกนี้จะวุว่นวายขนาดไหนก็ตามถ้าเรายังทับตัวของเราให้ตามมักมีองค์แปดอยู่เราต้องถึงแน่นอนคุณธรรมนี่เราต้องได้แน่นอนเราต้องปิดอาวาัยภูมิได้แน่นอนปิดอาวาัยวภูมิคือเป็นพระสาวบัณเราต้องปิดได้แน่นอนเราไม่ไปตกนรกแล้วเหตุที่จะให้ไปตกนรกไม่มีแล้วในใจของเรา นี่ตัวดูกายวาจาใจของเราบริสุทธิ์มีศีลมีธรรมอยู่ในใจตลอดทำไมมันจะไม่ถึงมันเป็นของยากหนักหนาที่ว่าต้องใช้พลังอย่างชนิดร้นเหลือหรอกเพียงแต่กำหนดรู้ลบอย่างเดียวเท่านั้นแหละ ใจเราก็สงบแล้วสติของเราอยู่กับลมเนี่ยใจเราก็อยู่กับลมถูกสติบังคับให้ใจมาอยู่กับลมต่อไปไม่ต้องบังคับแล้วมันเป็นอัตโนมัติของมันมันเป็นของมันเองมันดีของมันเองมันสบายหายกังวลของมันเองอืม ขอให้เราตั้งใจวางได้วางความยึดกลอมถือได้ทุกข์ก็พ้นจากใจเราเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏวลดนนี้อีกนานแสนนา น, านไย่เราเกิดบ่อยๆเป็นสุขนะเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล่าไปทุกขาชาติปุนาปูนัง การเกิดบ่อยๆเป็นทุกล่ำไปนั่นไม่ใช่ไปสุกนะเกิดมาแต่ละพวกระบชาติมันมีความทุกข์อยู่ทุกข์เพราะลูกทุกข์เพราะหลานทุกข์เพราะบ้านเพราะเรือนทุกข์เพราะศัตวาสิ่งทุกข์เพราะสิ่งของค้าขายทำมาหากินโอ้ยมันสารพัดอย่าง ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเย็นค่ำเกิดมาชาติไหนไม่ทุกข์ไม่มีทุกข์เพราะความเกิดทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเก็บทุกข์เพราะความตายมันมีอยู่ทุกข์เพราะความพัดพรากจากกันมันมีอยู่ถ้ามีเกิดแล้วก็ต้องมีเหล่านี้หมดเลย มีเก็บมีแก่มีตายไปหมดมีพัดภาคจากกันไปโชกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสาวุปยาสะอตันวาไว้พระพุทธเจ้าจัดไว้โชกะปริเทวะทุกขะโทปนัสสาวุปยาสะ ม, มันมีความเศร้าโศกขี่ไล่ลำพันธ ปรารถนาสิ่งหนึ่งได้สิ่งหนึ่งไม่สมความปรารถนาเป็นทุกข์มีลูกก็เป็นทุกข์เพราะลูกกันแหละมีหลานก็เป็นทุกข์เพราะหลานมีบ้านมีเรือนก็เป็นทุกข์เพราะบ้านเพราะเรือนไม่มีบ้านไม่มีเรือนก็เป็นทุกข์เพราะไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีข้าวมีของก็เป็นทุกข์เพราะไม่มีข้าวมีของมีข้าวมีของมากเกินไปก็ไม่รู้อะไรต่ออะไรโอ้ยสารพัดเลย นี่แหละเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสียสละเวลาอันมีค่าของเรามาปฏิบัติให้ได้สักคน ห, หนึ่งสักครั้งหนึ่งก็ยังดีโอกาสอย่างนี้ก็หาได้ไม่ทั่วไปที่เราจะมาปฏิบัติกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างนี้ มันหาได้ยากอยู่แต่ก็พอหาได้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติกำหนดสติไว้ที่ลมคอยรู้อยู่อย่าบังคับอย่าบังคับความฟุ้งซ่านให้มันอยู่กับลมให้มันนิ่งให้มันสงบ ถ้ามันวางแล้วก็ไม่ต้องกลับมากำหนดลมอีกก็ตั้งสติไว้เฉยๆคอยรู้อยู่เทนั้นหละคอยตั้งสติไว้ต่อไปมันก็ละเอียดเข้ามันก็ไม่คิดนึกปลุกแต่งเมต่ลมหายใจมันก็กำหนดไม่ได้มันมีแต่สติรู้อยู่อันนั้นแหละ เราจะนำไปพิจารณาให้เห็นทุกข์ในตัวเราให้เห็นทุกข์ในชีวิตประจาวันเราให้เห็นทุกข์ในร่างกายของเราให้เห็นความไม่มีตัวตนในร่างกายของเราที่เรามาอาศสยมันอยู่นี่เราคอยพิจารณาไปในที่สุดมันวางได้การที่มันวางได้นั่นเนี่ยเรียกว่ามันบรรลุ ถ้ามันวางไม่ได้มันก็บรรลุไม่ได้มันวางได้วางความยึดความถือได้วางความสำคัญมั่นหมายในตัวตนอันนี้ได้ความยึดถือก็ไม่มีมีแต่ความปล่อยวางมันก็ได้บรรลุบรรลุแล้วมันดียังไงผู้รู้ย่อมรู้ได้เฉพาะตน เราปฏิบัติแล้วเราจะรู้เลยว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้มันสุขสบายอย่างนี้มันดีอย่างนี้มันละแล้วมันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนคนเราโอ้ยมันสูงเกินไปยากเกินไปมันไม่ถึงหรอกชีวิตนี้น่ะมันไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้ามันไม่สูงเกินไปหรอกเป็นมัชชิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางเอกายยโนยังพิกวีมารโก เป็นทางไปอันเอกคือไปของบุคคลผู้เดียวไปมีดามันดาก็ปฏิบัติให้ลูกไม่ได้ลูกก็ปฏิบัติให้มันดาบิดาไม่ได้เราช่วยตัวเองเหมือนเราตกไปในน้ำทะเลมหาสมุทรนั่นแหละเราต้องช่วยแหวกว่ายเขาหาฝั่งด้วยตัวของเราเองจใจคนอื่นไปไ่ว้ให้ไม่ได้หรอกการปฏิบัตินี่ก็เหมือนกัน เราค่อยทำไปปฏิบัติไปเอาปีเป็นเดือนเอาเดือนเป็นวันทำปไ้ทุกวันนั่นแหละทำไปวันนี้มันได้ผลวันนี้มันไม่ได้ผลค่อยรู้ไปเราอยากมากเกินไปหรือเปล่าถ้าเราอยากมากมันก็ไม่ไม่เป็นแต่ถ้าทำให้มันถูกมันเป็น มันบนรรลุมันได้นี่แหละให้ตั้งใจปฏิบัติกันทุกคนทั้งผู้ใหม่และผู้เก่าให้พิจารณาให้ละเอียดลงไปในตัวของเราเนี่เราเกิดอยู่ในกองทุกข์เกิดขึ้นมาอยู่ในกองทุกข์ทุกข์เพราะแก่เพราะเก็บเพราะตายทุกข์เพราะพัดภาค ทุกข์เพราะความปารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนามันเป็นทุกข์เราก็ต้องทำปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มันได้ให้มันถึงให้มันเบาสบายในจิตของเรานั่นเอาเท่านี้แหละ